บางคนมีลมสะสมแล้วถุก่อนนั้นฟังนี้ไม่มีรันเวลาเดยวอนถตัวสถานที่ใดก็ดีไทยดีไปเขาขอสสารบริาเจดียต่างๆนันนะจนผู้คนเบื่อหน่าย อยู่พอพักพออาศัยก็เนี้พักในอาศัยปั่นใจจะสร้างวัตถุาศาสนาวัตถุาศาสนาบุคคลาศาสนาธรรม <c oughs> มีหลายขันเปลือกของมันอย่างศาสนาวัตถุเรียกของาศาสนาตัวตัวศาสนาจริงจังวัตถุที่ก่อสร้างเอาไว้ก็เป็นเพีย น, นึ่ง ที่ใจคนเห็นว่าปุยยาตาทวดของตนเรื่องใสทางศาสนาถึงสร้างวัดว่าอารามมาไว้คนอื่นมาเห็นเขาก็ว่ามีวัดว่าศาสนาสวยงามตาอย่างนั้นอย่างนี้มาดูว่าผูอยู่ผู้อาศัยีในตั้งใจว่าคิดปฏิบัติหรือไม่ แต่สาเสนอว่าถูอย่างเดียวมันก็อยู่ไม่ได้ทางทลายของการก่อสร้างทางนอกมันสร้างได้ไม่ว่าพระไม่ว่พเล่าว่ามันจะเริ่มขนาดเป็นขนาดไหนก็เป็นเรื่องก่อสร้างด้านจิตใจัเป็นอย่างไรนั้นนี่คุณมึง ก, ก็นวณหา ศาสนาบุคคลก็คือบุคคลนพิศาฐ น, นะต่างหน้าพระพุทธปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํน า, สนสน า, สาสั่งสอนเอาไว้เนศาสนาบุคคลมีคนเหลื่อมใส่ศรัทธามีนักบวชหมสากห น, น, <c oughs> น้าไร้ตาด้วยกันนะี่คือศาสนาบุคคลมาเหลื่อมใสอยู่ในศาสนา าศาสนาธรรมหมายถึงใจของบุคคลที่มาเร่อมใสสศรัทธาตางหา่างตาลายกิเลสจนจิตใจหายจากความกังวลอุ่นวายเดือดร้อนหมดโลภ ก, กดหลงในจิตในใจนี่คือศาสนะธรรมเป็นแก่นของาศาสนา ถ้ามมีศาสนาธรรมในจิตในใจถึงบุคคลจะมีจำนวนมากปริมาณมากขนาดไหนแต่จิตใจของคนเหล่านั้นกอเจนไปด้วยโลภโกรหลงก็าเปฏิบัติอัดธรรมพอเสียในดั่ในต่างหน้าต่างตาทำลายกิเลสตัญหาเพีงจะอยู่ในศาสนาก็ อ, อาศัยกินนี่คือ ยังแศาสนาบุคคลที่มาเลี่ยมใสในศาสนาแต่ไม่ตั้งหนาตังตาลายิเละคุณค่าก็เบาลงไปอ่อนลงไปคอยจะมีคนเลือ่อมใสไม่มีคนเกื่อถือเพราะการทำการผูดของเขาทิ่แตกแตกต่างไปจาก หลักของธรรมของวิน <c> ัย <oughs> จากนั้นเึืงศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานเอาไว้มอบให้ีิสุสามาเนนอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ดูแลรักษาศาสนาจะส่ยมหรือศาสนาจะเ จ, เจเริญก็อาศัยบริษัททั้งสี่เป็นผู้ดูแลรักษา บริษัททั้งสี่ในดูแลรักษาศาสนามันกาเสื่อมไปบริษัททั้งสี่ดูแลรักษาตัณหาจังจ้าพื่อปฏิบั ต, ตภาภาภาภาิตามอัตธรรมที่สอนไว้ที่สุสา ม, มาเณรมีขีมขนาดไหนมีภารินัยนอย่างไรก็ตังหา่างาังจ้ารักษาภาิิณีของตนในด่างช้อยขาดบินเสียหาย คารวะมีศีลอย่างไรต่างใจรักษาตามเพศของคารวะศา ส, สานาขอเจริญไปได้มันคงไปได้ถ้าต่างฝ่ายต่างโยนทิ้งศาสานาเป็นหน้าที่ของนักบวชเราไม่ดีเกี่ยวข้องไม่เป็นผู้รักษาต้าแต่นักบวชทานจะดูแลรักษากัน นักบวชก็โยนให้ฆราวาสฆราวาสก็โยนให้นักบวชต่างคนต่างไม่อดทานในต่างหน้า ต, ต่างตาทํางานรักษาศาสนาศาสนาก่อถังถลายลงไปความจริงกต่ทั้งสองฝ่ายดูแลรักษากันพระไม่เข้าท่าพระไม่มีอัจมีิธรรมพระยํายีเบียดเบียนศาสนา เราถี่เป็นฝ่ายบำรุงรักษาชายกชายิกาก็ให้ระวังระววงอย่าไปบำรุงบำเรอให้เขาลืมเมื่อลืมตัวไปเพราะกายหม่ยพิดตามอาจตามธรรมนั้นถ้าเราเก่ยเหลือเกี่ยวโน้นคนเหล่านั้นก็จะมีกำลังมากขึ้นหยียบยําทำลายผู้ชื่ น, นาจางนาจางตารักษาทำดีใน ให้เดือดร้อนวุ่นวายทันเจิมไม่ให้พนุสน้อมในสนับสนุนคนชั่วถึงเรียก ว, ว่าอารัสีฝูมียังอายอยากเปะป่ยงพืชไปทางกายทางวาจายอย่างไรก็บผู้ไปตามใจเัวชอบใมคําหนึ่งถ้าทำดีในก่จ่านหักห้ามเอาไว้เห็นบริษัทเห็นทัน มีผ่าเหลืองห่มอยู่คลองอยู่ก็ถือว่าถ้าเป็นพระพิสุสามะมาเนนก็บรรลุงรักษาไปแต่ทำดีในฉันรักษาคงเจนคงวาหรือไม่เมือเด็ตัวจตาพิจรารณาเหมืรวมตัวเหมือนเด็พิจรารณารักษาอย่างนี้คนดีมันก็มีจํานวนน้อยทุกวันจะลอยหลอลงไปคนขวมี เป็งงนมวลมากเท่าไรก็ทําให้ศาสนาเสื่อมไปเท่านั้นเหมือนกันกับโรคภทยมีมากเท่าไรก็ทําให้ทําถูกความสบายน้อยลงไปหรือถึงล่มถึงตายไปได้ฉะนั้นแผลของเขาถึงหลังตายของเราจะมีคุณค่าสาราอยู่ทุกสิ่งทุกส่วนเป็นสี่ของแหนทุกอย่างไป่กัตามโรคราย เเยตอนไหนที่ใดจะรักษายหยุดยาไม่หายก็ตัดทิ้งปล่อยเอาไว้ส่วนใหญ่จะถูกเสียหายไปงรจะสมน์รักษาไม่อยากจะให้ตัดแต่ปล่อยเอาไว้ส่วนใหญ่มันจะพังทลายึงตัดออกไป่ว่าไส้วับว่า แขนบาดขาอาการรุกร้าวร้ายที่รักษาไม่หายก็ต้องจัดตรงข่าวไปโดยรักษาส่วนใหญ่ <c oughs> มีเรื่องพระที่สุสา ม, มาเณรผู้รักษาศาสนากระํานอง เ, อเดียวกันเยวนี้เรื่องของพระของเนรมันมีมากจํานวนเป็นแสนแสนในประเทศไทยแต่ก็มีปริมาณตัวพระตัวเนรจริงจังนั้น จะหาเป็นยากว่าดังยากเพราะจิตใจที่เป็นพระเป็นเนนจริงจังมันหายากพระก็หมายถึงผูกเปเือกสามเณรสามณะก็หมายถึงผู้ส ง, ใสงบใายใสงบวายจาสงบจิตเหลียดันหาถ้าสงบได้มันก็สุข ก, กว่าสบาย ประเมินได้มันก็วิเศษนี่มันอีกตัวตาที่จจริน้นาดูแลรักษาเย่างจิตใจของตัวโดวยส่วนใหญ่ <c oughs>